การฟังธรรมนี่ฟังเพื่ออะไรการฟังธรรมนี้ฟังได้สองแบบคือได้ผลสองสองชนิดแล้วแต่ผู้ฟังว่าจะฟังแบบไหนการฟังนี้ฟังให้ใจสงบก็ได้ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ก็ได้ การฟังสองวิธีนี้ฟังไม่เหมือนกันการฟังให้เกิดความสงบนี้ก็ฟังไปเฉยๆฟังเสียงแต่ไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดตามฟังใช้เสียงเป็นอารมณ์แทนที่จะใช้พุโทโธพุโทโธหรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกเราก็ใช้เสียงธรรมที่เราฟังอยู่ ว่ามันง่ายกว่าที่เราต้องมาพุทโธเองหรือต้องมาคอยเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกพราะเราเคยฟังอยู่ตลอดเวลาเราฟังอยู่ทั้งวันการฟังนี่มันจึงง่ายกว่าการที่เราจะใช้พุทโธพุทโธหรือจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกเพราะเราไม่เคยดูลมกันเราไม่เคยพุทโธกัน พอจะนั่งสมาธิดูลมพุโทโธก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมารู้สึกไม่สบายเพราะเราไม่ไม่ไม่ถนัดไม่ชินกับมันแต่ถ้าให้ฟังนี้เราฟังได้เราฟังละครฟังวิทยุฟังเสียงเพลงฟังอะไรเราเคยชินกับการฟัง แต่การฟังเพลงเอฟังเรื่องราวต่างๆนั้นมันไม่ได้ทําจะให้ใจเราสงบเพราะว่ามันมีอารมณ์มันปลุกอารมณ์ฟังเสียงเพลงก็ทําให้ปลุกอารมณ์เศร้าก็ได้ทําให้ปลุกอารมณ์เบิกบานขึ้นมาก็ได้เรียกว่าฟัง คนพูดฟังคนนั้นพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้ก็ทาให้มีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าฟังเสียงธรรมนี้ธรรมจะไม่ปลุกอารมณ์ปลุกธรรมจะกล่อมใจให้สงบได้ดังั้นคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนก็หัดนั่งด้วยการฟังธรรมไปก่อนก็ได้ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งในท่าที่สบายถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็เป็นท่าที่สบายที่สุดถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งพับเพียบก็ได้นั่งพับเพียบไม่ได้ก็นั่งนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนอาจจะไม่ถนัดเนี่ยแต่เวลาฟังธรรมต่อหน้าพระนี่จะนิยมนั่งพับเพียบกันเพราะเป็นท่าที่ให้ความเคารพต่อกันแต่ถ้าเรานั่งคนเดียวแล้วเราเปิดเสียงธรรมะฟังเราอยากจะนั่งขัดสมาธิฟังไปก็ได้ บางแห่งบางสำนักเขาก็ให้นั่งตามอธัธยาศัยอยากจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญมากแล้วแต่ความถนัดก็แล้วกันสิ่งที่ต้องการคือต้องการทําใจให้สงบให้ใจไม่คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ว้าวุ่นขุ่นมัว ถ้าเราไม่มีอะไรฟังเราก็อดที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเสียงนั้นสิ่งนี้พอคิดแล้วก็จะเกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเราฟังเสียงธรรมนี่เสียงธรรมนี้จะเป็นเสียงเย็นเสียงทำให้ใจเราเย็นเสียงทำให้ใจเราว่างทําให้ใจเราสงบได้ นี่ฟังแบบไม่เนึกตามไม่คิดตามฟังเฉยๆนั่งหลับตาไปแล้วก็ฟังเสียงที่เข้ามาสัมผัสกับหูรับรู้เกาะติดไปกับเสียงนั้นวิธีที่จะฟังให้เกิดสมาธินี่เวลาฟังก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบด้วยคือเราต้องนั่งเฉยๆ ไม่ทำอะไรต่างๆถ้าทำอะไรต่างๆแล้วใจเราจะสงบไม่ได้เพราะใจเราต้องไปทำงานกับร่างกายไปทำกับข้าวไปเย็บปักถักร้อยไปทำอะไรต่างๆขับรถอะไรทำนองนี้ใจต้องทำงานควบคู่ไปกับร่างกายด้วยเมื่อใจทำงานใจก็จะสงบไม่ได้ ถ้าอยากจะนั่งฟังธรรมเพื่อให้ใจสงบก็ต้องไม่ทําอะไรนั่งเฉยๆนั่งขัดสมาธินั่งพระเพียบหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดเมื่อเรานั่งเฉยๆแล้วเราก็ต้องไม่พูดไม่คุยกันด้วยต่างคนต่างนั่งเฉยๆไม่พูดคุยกัน เพราะการพูดคุยกันก็เป็นการทำงานของใจกแล้วใจต้องสั่งให้ร่างกายพูดนั่นพูดนี่ถ้ายังต้องทำงานอยู่ใจก็จะสงบไม่ได้ฉะนั้นนั่งเวลานั่งสมาธินั่งฟังเทศฟังธรรมนี้จำเป็นต้องนั่งด้วยกายและว่าจาที่สงบกายไม่ขยับนะ อย่าไปขยับพอเริ่มนั่งแล้วอย่าไปขยับคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปเกาอยากจะกลืนน้ำลายก็อย่าไปกลืนอย่าไปสนใจกับมันปล่อยมันไปให้สนใจอยู่กับเสียงธรรมที่เราฟังอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วใจก็ต้องนิ่งต้องไม่คิดอะไรไม่ต้องพุโทโธเวลานั่งฟังธรรมนี้ไม่ต้องพุโทโธ อย่าไปพุโทโธขณะที่ฟังธรรมมันจะชนกันพุโทโธกับเสียงธรรมมันจะมาชนกันเหมือนเปิดวิทยุสองเครื่องพร้อมกันมันก็จะรบกวนกันได้แทนที่จะสงบมันก็จะไม่สงบเวลาฟังธรรมนี้ใช้เสียงธรรมแทนพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทน ฟังไปเรื่อยๆแล้วใจพยายามดึงใจให้ฟังถ้าใจเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับมา่อให้กำลังฟังทำอยู่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสามารถควบคุมใจให้นิ่งให้อยู่กับการฟังทำได้นั่งไปเรื่อยๆใจก็จะเบาจะเย็นจะสงบลงไปตามลำดับ แต่อาจจะไม่สงบแบบเต็มร้อยคือจะไม่รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแต่เป็นเป็นการทำให้ใจนี้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ว้าวุ่นขุนมัวให้เบาอกเบาใจให้สบายใจถ้าฟังเทศเสร็จแล้วยังไม่สงบถ้าอยากจะให้สงบมากกว่าก็ลองดูลมหายใจต่อไป หลังจากปิดเสียงเทศแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อหรือพุโทโธพุธโทโธต่ออันนี้จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ลึกกว่าแตในเบื้องต้นนี้เราอาศัยการเสียงธรรมนี้เป็นเครื่องดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนะเพราะลำพังเราอาจจะไม่มีกำลังที่จะพุโทโธพุธโทโธ หรือจะดูลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องเราอาจจะมีกำลังที่จะดูที่จะฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆเกาะไปกับเสียงธรรมแล้วไม่แน่บางทีจิตอาจจะรวมเป็นหนึ่งก็ได้สงบเป็นหนึ่งก็ได้ถ้าไม่สงบก็สแสดงว่าใจของเรายัางวิ่งไปวิ่งมาอยู่ฟังธรรมแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าคิดไปควบคู่กับการฟังทมไปมันก็จะไม่เกิดผลต้องอย่าคิดต้องหยุดคิดต้องบังคับให้ฟังอย่างเดียวพอรู้ว่าคิดก็บอกว่าหยุดคิดนะตอนนี้กำลังฟังทำต้องคอยเตือนใจดึงใจให้อยู่กับการฟังทมไปเพียงอย่างเดียวแล้วใจจะเย็นใจจะว่างจะสงบ ค่อยๆสงบไปไปตามลำดับยิ่งนั่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งสงบได้มากขึ้นเท่านั้นถ้าไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆนี่นี่คือวิธีแรกของการฟังธรรมวิธีที่สองคือฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาหรือความรู้ความฉลาดอันนี้ต้องฟังอีกแบบหนึ่งนั่งเหมือนกัน นั่งนิ่งๆไม่ขยับร่างกายไม่พูดไม่จ่าไม่คุยกันใจก็ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ให้มาคิดอยู่กับเรื่องของธรรมที่เรากำลังฟังอยู่ให้นึกคิดตามธรรมที่กำลังได้ยินได้ฟังธรรมบอกว่าให้นั่ง เฉยๆไม่พูดไม่คุยกันแล้วก็นึกตามออวิธีนั่งต้องไม่นึกต้องไม่ต้องไม่พูดไม่คุยกันต้องไม่ขยับร่างกายต้องไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอเราก็คิดตามไปถ้าคิดตามแล้วเราเข้าใจเราก็จะได้ความรู้เราก็จะจําได้ถ้าเราจําถ้าเราเข้าใจอะไรแล้วเราจะจําได้เอ การนั่งฟังธรรมนี้ไม่ต้องจดเหมือนกับเรียนหนังสือเรียนหนังสือนี่เขามักจะให้จดบันทึกไว้ในกระดาษเพื่อเตือนความจำอีกทีหนึ่งแต่ทางปฏิบัติการฟังธรรมนี้ไม่ต้องจดให้ฟังแล้วนึกให้คิดตามนึกคิดตามทมที่กำลังแสดงอยู่เมื่อนึกคิดตามได้แล้ว ก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาอ๋อนั่งสมาธินั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้ใจสงบนั่งแบบนี้นั่งสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญานั่งแบบนี้อพอเข้าใจแล้วก็จะไม่ลืมจะไม่ต้องไปจดใส่กระดาษถ้านั่งฟังไปแล้วจดไปนี้มันจะทำให้ขาดตอนได้ พราะเวลาเราจดกับเวลาเราฟังนี่มันคนลัเรื่องกันขณะที่เราจดอะไรเราก็ต้องอยู่กับการจดการเขียนเราก็จะไม่ได้ฟังถึงแม้ได้ยินเสียงแต่ก็ได้ยินเสียงแบบไม่ได้ฟังแบบไม่รับรู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะเรามั่แต่ไปรับรู้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังจดกำลังเขียนอยู่มันก็จะทำให้การฟังขาดตอน ขณะที่เราเขียนเราก็จะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรื่องที่กําลังพูดอยู่พอเรากลับมาฟังอีกทีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วก็ได้ดังนั้นการฟังทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อให้จดจําได้นี้ไม่จําเป็นจะต้องเขียนฟังไปถ้าไม่เข้าใจมันก็ลืมมันก็จะจําไม่ได้ถึงแม้จดไว้ ถ้ามาอ่านในภายหลังไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจดอะไรไว้เนี่ยฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กระดาษดินสอเวลาฟังเทศฟังธรรมให้เราฟังด้วยใจฟังให้เกิดความเข้าใจวิธีจะเข้าใจก็ต้องนึกตามคิดตาม อ, อนึกตามคิดตามมันก็จะเห็นภาพขึ้นมาในใจออให้ทำอย่างนี้เวลานั่งสมาธิให้ใจสงบต้องนั่งแบบนี้เวลานั่งสมาธินั่งฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาต้องนั่งแบบนี้นั่งร่างกายนั่งแบบเดียวกันนั่งเฉยๆไม่พูดไม่จาแต่ใจนี้ทำไม่เหมือนกันถ้านั่งเพื่อให้เกิดความสงบ ก็ไม่ให้คิดอะไรให้ฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดตามเรื่องธรรมที่กำลังแสดงอยู่ถ้าต้องการฟังให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็ต้องฟังไปนึกไปคิดไปนี่คือวิธีการที่เราจะฟังธรรมส่วนใหญ่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ควรจะฟัง เพื่อให้เกิดสมาธิกันฟังให้เกิดความสงบถ้าเรามีสมาธิแล้วเราฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเราก็จะได้ใช้ปัญญานี้มากําจัดกิเลสกําจัดความทุกข์ต่างๆที่กิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมาได้แต่จะฟังเพื่อให้เกิดปัญญาก็ได้แต่อาจจะเป็นปัญญาที่ไม่มีกำลัง ถ้ายังไม่มีสมาธิปัญญานี้มีปัญญาแบบมีกำลังกับปัญญาแบบไม่มีกำลังปัญญาที่ไม่มีกำลังนี้จะไม่สามารถไปหยุดกิเลสตัณหาได้แต่ถ้าปัญญาที่มีกำลังนี้จะหยุดกิเลสตัณหาได้กำลังของใจ กำลังของปัญญาก็คือสมาธินี่เองเราจรึงต้องฝึกสมาธิกันก่อนเพื่อให้มีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วพอเราเรียนฟังทางปัญญาเข้าใจแล้วว่าวิธีที่จะหยุดกิเลสนี้ต้องหยุดด้วยอะไรอะพอหยุดด้วยวิธีนี้พอกิเลสพอสอนใจว่า สิ่งที่กิเลสอยากได้นี่ได้มาแล้วจะทําให้ทุกข์ไม่ได้ทําให้สุขอย่างเดียวอาจจะสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆแต่พอได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับสิ่งที่ได้มาพอนึกถึงความทุกข์ที่จะต้องมีเกิดขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไม่เอาดีกว่าได้ไม่คุ้มเสียได้แล้วต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจในภายหลัง อันนี้ถ้ามีสมาธิมีกําลังก็จะเชื่อปัญญาและทําตามปัญญาที่สอนว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้นี้มันจะต้องทําให้ใจทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งต่างๆที่ได้มานี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันหมดไปหรือจากกันไป ไม่ได้เป็นของเราไปตลอดได้อะไรมาอยากไปคิดว่าเป็นของเราไปตลอดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดมันจะเป็นของเราไปอาจจะไม่รู้กี่ปีกี่เดือนแต่เดี๋ยวมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วดูข้าวของต่างๆที่เราเคยมีมาในอดีต๋ยนนี้มันหายไปไหนหมดแล้วมันไม่ได้เป็นของเราแล้ว เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวใช้มันไปแล้วเดี๋ยวมันก็เก่ามันก็เสียเสื้อผ้าที่เราใส่ใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดแต่ของบางอย่างถึงแม่รู้ว่ามันจะเป็นของชั่วคราวแต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องมีเราก็ต้องมีเช่นเสื้อผ้ามันขาดก็เปลี่ยนใหม่หาใหม่ได้ไม่เป็นไรแต่ของบางอย่างนี่ เวลามันหายไปนี่มันเปลี่ยนไม่ได้เช่เนสามีภรรยานี่มันเปลี่ยนไม่ได้ลูกนี่มันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนก็ยากลาบากหุ่นวายไม่ใช่ง่ายง่ายไม่เหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าเอ็น เ, เวลาที่เราคิดอยากจะได้อะไรนี่ถ้าเรามีปัญญานะเราอาจจะมาทบทวนดูมาชั่งน้ำหนักดูว่า ผลได้ผลเสียอันไหนจะมากกว่ากันความสุขความทุกข์ที่จะได้นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันถ้าความทุกข์มันมากกว่าความสุขเอามาก็ขาดทุนก็อย่าเอามาดีกว่าแต่ถ้าความสุขมันมากกว่าความทุกข์เช่นมันบรรเทาการขาดแคลนของร่างกายได้ก็ต้องเอาไว้ก่อนเสื้อผ้าถ้าไม่มีใส่ก็ต้องหามาใส่ ถ้ามันหมดไปก็ค่อยว่ากันใหม่หามันใหม่แต่มันให้ความสุขมากกว่าความทุกข์อาหารที่เรากินเนี่้มันให้ความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ของบางอย่างนี้มันให้ความทุกข์มากกว่าความสุขอันไหนให้ความทุกข์มากกว่าความสุขก็อย่าไปเอามันเงินทองนี้มันให้ความสุขแต่มันก็ให้ความทุกข์กับเรา เวลาเงินทองหมดนี่เราจะทุกข์มากเวลามีเงินทองเราก็มีความสุขกันแต่พอไม่มีเงินทองเราก็จะทุกข์กันถ้าเราหัดอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินทองได้ก็ดีหรือใช้ให้น้อยที่สุดเวลามันหมดก็จะไม่เดือดร้อนมากแต่ถ้าใช้มากอพอมันหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์มาก อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของสมาธิกับปัญญาถ้ามีปัญญามีความรู้แต่ไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังหยุดความอยากได้ถึงแม่รู้ว่ามันจะทุกข์ก็ยอมทุกข์อนนี้ขอสุขเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็หยุดความอยากได้ เพราะเราไม่จาเป็นต้องไปหาความสุขแบบนั้นก็ได้เพราะเรากลับมาหาความสุขจากสมาธิก็ได้ถ้าเรามีสมาธิแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะมีความสุขไม่มีอะไรก็มีความสุขได้ยิ่นถ้ามีสมาธิแล้วนี้จะทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ เพราะสมาธินี้เป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่เราสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆเป็นของเราไปได้เรื่อยๆแต่ของอย่างอื่นที่ให้ความสุขกับเรานี้เวลาที่เขาจะไปนี่เราไม่สามารถห้ามเขาไปได้เวลาเขาจะจากเราไปเราห้ามเขาไม่ได้เราก็จะเศร้าโศกเสียใจ แต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็ไม่ต้องมีอะไรอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับสมาธิดีกว่าเวลาไม่มีความสุขอยากจะมีความสุขแทนที่จะไปมีนู่นมีนี่ไปนู่นมานี่ก็ไปนั่งสมาธิดีกว่าแต่ถ้ามีสมาธิแล้วถ้าเรามีปัญญาคิดเป็นรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้ มันจะมีความทุกข์ตามมาที่หลังถ้าเราไม่อยากจะต้องเจอกับความทุกข์ที่ตามมาที่หลังเราก็อย่าไปมีมันดีกว่าของอะไรที่เราได้มาถ้ามันเป็นของที่เราลักเราชอบนี่มันจะให้ความทุกข์กับเราตั้งแต่เราได้มันมาเลยพอพอเราได้มันมาเราก็จะหวงจะหวงเวลาไม่เห็นมันก็จะหวงแม้มันอยู่ที่ไหนหายไปหรือเปล่า เป็นอะไรไปหรือเปล่าเวลาอยู่กับมันก็หวงไม่อยากให้ใครมาแย่งไปไม่อยากให้มันจากเราไปแล้วเกิดเวลามันจากไปมันก็ทําให้เราเสียใจเศร้าโศกเสียใจนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้สิ่งที่เรารักเราชอบมาเช่นเงินทองนี่เราได้เงินมาสักล้านดูสิมันจะเริ่มหวงแล้ว เอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนดีรักษายังไงไม่ให้มันหายไปแล้วก็ต้องกังวนลว่าเดี๋ยวคนนั้นจะมาขอยืมขอใช้บ้างนะะถ้าเขารู้เดี๋ยวเขาก็ต้องมาขอละขอยืมหรือขออถ้าไม่ให้เขาเขาก็โกรธเราเราก็ไม่สบายใจเสีย ถ้าให้เขาก็เสียดายเงินอีกเสียเงินที่เสียดายเงินที่เราได้มาอีกนม้มันเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยพอมีเงินมีทองแล้วอีนนี้ก็จะต้องมีความหวงแล้วมีความหวงนะแล้วเวลาเสียไปก็เสียดายเสียใจ อ, อันนี้คืออ น, นิจังทุกขังมันไม่เที่ยง พอมันจากเราไปมันก็ทําให้เราทุกข์พอมันไม่ได้เป็นของเรามันก็จะทําให้เราทุกข์นี่คือการคิดแบบปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดแบบปัญญาให้เรารู้ว่าความทุกข์ใจของเราเนี้เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ พอไม่เป็นตามที่เราอยากใจเราก็ทุกขึ้นมาถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ไปทําไม่คิดอยากได้อะไรใจเราก็จะไม่ทุกข์วิธีที่จะทําให้เราหยุดได้ก็ต้องนี่แหละเห็นว่าการไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาได้ะ เห็นเวลาเราทุกข์ใจเรามาดูที่ใจเราว่าเรากําลังอยากอะไรทุกกับคนนั้นเพราะเราอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้สิปล่อยเขาทําอะไรไปตามเรื่องของเขาเขาอยากจะกินเหล้าก็ปล่อยเขากินไปเขาอยากจะไปมีแฟนก็ปล่อยเขาไปอเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่ปล่อยเขาเราก็จะทุกข์ถ้าเราอยากให้เขาไม่ไปเที่ยวไม่ไปกินเหล้าไม่ไปมีแฟนอยากให้เขาเป็นของเราคนเดียวพอเขาไม่เป็นเขาไม่ทาตามความอยากใจเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธินี้พอเรารู้ว่า การไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทาให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ทำใจให้เฉยๆเป็นสมาธินั่งสมาธิไปทำใจให้สงบพอใจสงบความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็หยุดไปพอหยุดไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าของการ มีสมาธิมีปัญญาอ Imm? ปัญญาก็รู้ว่าความทุกข์ของเราไม่ได้อยู่ที่เขาเขาไม่ได้เป็นคนให้ทําให้เราทุกข์เราต่างหาที่ทําให้เราทุกข์เองด้วยความอยากของเรา m, ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วก็จะทําอะไรก็เรื่องของเขาเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่อยากให้เ้าเที่ยวเขาไปเที่ยวหรือไม่เที่ยวเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่อยากให้เข า, เขาไปไมีแฟนใหม่ เขาจะไป ม, มีแฟนใหม่หรือไม่มีแฟนใหม่เราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากของเราอนี้คือปัญญาและวิธีวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ก็คือเราก็ต้องทําใจให้สงบถ้าเรารู้จักวิธีทําใจให้สงบเราทําสมาธิเป็นพอเรา ใจเราทุกข์เราก็ไปทำสมาธิตามแบบที่เราเคยทำเคยนั่งสมาเคยฟังธรรมก็เปิดธรรมะฟังไปเคยดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกไปเคยพุโทโธก็พุโทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะลืมเรื่องที่อยากความอยากก็จะหยุดไปแล้ว ความทุกข์ก็จะหายไปไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาไม่ต้องไปขอร้องเขาไม่ต้องไปว่าเขาว่าทำไมต้องไปเที่ยวทำไมต้องไปกินเหล้าทำไมต้องไปมีแฟนหรือขอร้องว่าอย่าไปเที่ยวอย่าไปกินเหล้าอย่าไปมีแฟนพูดยังไงก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกถ้าเขาจะทำถ้าเขาอยากจะทำเพราะตัวเขาเองก็ยังห้ามตัวเขาเองไม่ได้ แล้วเราจะไปห้ามเขาได้อย่างไรเพระฉะนั้นเราอย่าไปแก้ปัญหาที่คนอื่นปัญหาของเราแก้ที่ตัวเราปัญหาของเราเกิดจากความอยากของเราเกิดจากความโลภความโกรธของเราเกิดจากความหลงของเราที่ไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความโลภความโกรธของเรานั่นเอ ง, เอง เราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเวลาเราไม่สบายใจเราทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้เกิดจากความอยากของเรากับสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้กับคนนั้นคนนี้เท่านั้นเองถ้าเราทำใจให้สงบได้หยุดความอยากได้ เราจะไม่ทุกข์กับเขาจะไม่ทุกข์กับคนนั้นคนนี้จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคน ain, คนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง น, น, างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจเรามีสมาธิมีความสงบหยุดความอยากที่จะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาเนี่ย ปัญหาก็จะหายไปนี่คือทำไมเราจึงต้องมาฟังทำกันเพราะเราไม่รู้ปัญหาของเราว่ามันเกิดจากอะไรเราไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรกัน เ, เรามักจะคิดว่าเกิดจากการที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้กันไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำกันไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นกัน ก็เลยทำให้เราทุกข์แต่ความจริงมันไม่ใช่แล้วมันอยู่ที่ความอยากเป็นเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีความอยากเป็นไม่มีความอยากทำเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ทำหรือว่าเราเราได้เป็นได้ทำเราก็จะไม่ทุกข์ว่าเราไม่ได้ทำด้วยความอยาก อาจจะทําด้วยความจำเป็นนะเขาแต่งตั้งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ตั้งไปก็ปล่อยเขาตั้งไปก็เป็นไปถ้าไม่ได้เป็นด้วยความอยากเราจะไม่กังวลว่ามันเวลาว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่จะเป็นได้นานสักแค่ไหนเป็นกับเป็นไปเมื่อเขาจะไม่ให้เป็นก็เขาเข้าคืนไปก็เท่านั้นถ้าเราไม่มีความอยากเป็นเราก็ไม่เดือดร้อน นี่แหละคือเรื่องของปัญหาของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันพวกเรามักจะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าทำให้เราทุกข์กันเขาพูดไม่ดีก็ไปโทษว่าเขาเนี่แหละทำให้เราไม่สบายใจเขาทำไม่ดีก็ไปโทษเขาแต่ความจริงต้องโทษเราโทษความอยากของเราเราอยากให้เขาพูดดีไม่ใช่อะไรหรอก พอเขาพูดไม่ดีเราก็เลยไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาพูดดีเราจะไม่เดือดร้อนเขาจะพูดดีไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเป็นปากของเขาใจของเราถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่เดือดร้อนถ้าใจเราเฉยๆเป็นสมาธิได้นี่มันจะไม่อยากไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไร ใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานี่แหละเป็นเรื่องที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะไปแก้ผิดจุดกันแทนที่จะมาแก้ที่ตัวเราแก้ที่ความอยากของเราเราก็ไปแก้ที่สิ่งที่เราอยากได้พอเราไม่สบายใจเพราะเราไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็ต้องพยายามไปหามันมาให้ได้เพราะเวลาเราได้แล้วเราจะได้สบายใจเกิดความสุขใจแต่มันสุขใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกละอยากได้อย่างอื่นอีกล้วก็ต้องไปหามันอีกแล้วแล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจไม่สบายใจอีก แต่ถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาการหาอะไรมาแต่ละอย่างมันไม่ใช่เป็นของง่าย อ, อย่างน้อยก็ต้องหาเงินก่อนอยากจะซื้ออะไรนี่ก็ต้องมีเงินซื้อก่อนการจะทำงานหาเงินหาทองก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า <c oughs> และจะต้องเจออุปสรรคอะไรต่างๆมากมายกว่าจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะเอาไปซื้ออะไรต่างๆมาตอบสนองความอยากของเราเพราะตอนที่เราอยากนี่เราจะมีความรู้สึกว่าเราขาดนู่นขาดนี่ไม่สมบูรณ์รู้สึกไม่ไม่มีความสุขแต่พอเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราจะมีความรู้สึกเรามีความสุขเหลือเกินแต่มีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของที่ได้มา มันก็เฉยๆแล้วความรู้สึกที่เรามีกับมันก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆโอ้รู้สึกเป็นของวิเศษวิโสพอได้มันมาไม่กี่วันดูแล้วมันก็เป็นของธรรมดาเหมือนกับของที่เรามีอยู่ของต่างๆที่เรามีอยู่มันก็ไม่ได้รู้สึกวิเศษวิโสอะไรแต่ตอนที่เราได้มันมาใหม่ๆตอนที่เราอยากได้มันนี้โอ้รู้สึกว่ามันวิเศษมาก พอได้มาก็ดีใจมากดีใจดีใจไปสักพักเดี๋ยวก็หายไปแล้วอยากจะดีใจใหม่ก็ต้องไปหาของใหม่เนี่มันก็จะหลอกให้เราไปหาของใหม่ๆ ม, มาอยู่เรื่อยๆหรือหาอะไรทําแปลกๆใหม่ๆ ห, หรือให้คนนั้นคนนี้เขาทํานูน่นทํานี่ตามความอยากของเรา แ้ะพอเราไม่ได้ตามความอยากของเราทีนี้หละมันจะทำให้ความทุกข์ทรมานใจเกิดขึ้นมาเพราะเราไม่สามารถไปสั่งให้คนนั้นคนนี้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้เราสั่งไม่ได้ก็เสียใจบางทีก็โกรธบางทีก็น้อยใจ บางคนจงกับค่าตัวตายน้อยใจสั่งให้เขาอย่าทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เขาไม่ยอมเขาจะทำก็เสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจยขึ้นมาคิดค่าตัวตายไปก็มีนี่พอไปแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอย่าไปแก้ที่ข้างนอกอย่าไปแก้ที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงแม้เขาจะเป็นชนวน ทำให้เราไม่สบายใจแต่ตัวที่สร้างความไม่สบายใจไม่ใช่เขาความที่สร้างความไม่สบายใจคือความอยากของเราอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หรืออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากเขาพอไม่ได้ก็เลยโกรธเขาเสียใจโทษเขาว่าเป็นต้นเหตุทําให้เราไม่สบายใจแต่ความเป็นจริงอยู่ที่ความอยากของเรานั่นเอง ถ้าเราไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจจะไม่รู้สึกโกรธเขาเขาจะให้อะไรหรือไม่ให้อะไรเรานี่เราจะรู้สึกเฉยเฉยสังเกตดูสิคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่ค่อยวุ่นวายใจไปกับเขานะเพราะเราไม่ได้ไปอยากได้อะไรจากเขาแต่คนใกล้ตัวเราเนี่เรามักจะวุ่นวายไปกับเขาเลยเพราะคนใกล้ตัวเรานี่เรา อยากจะได้ของจากเขาอยากให้เขาทํานูน่นทํานี่ให้เราพอเขาไม่ได้ทําให้เราเราก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาอันนี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาของศาสนานี้สรุปอยู่ง่ายๆแค่คําเดียวคือความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นเน่ยไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้น เราไปอยากกับเขาเองแล้วก็เลยไปคิดว่าเขาทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาแต่ความจริงมันเป็นความอยากของเราเพราะถ้าเราไม่มีความอยากได้อะไรจากเขาเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาต่างคนต่างอยู่กันไปไม่ต้องเจอกันก็ได้ไม่ต้องอยู่ร่วมกันก็ได้แต่ถ้าเราต้องการอะไรจากเขานี่เราก็ต้องอยู่ร่วมกับเขาอยู่ใกล้เขาแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำตามที่เราอยาก เราก็ทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือความไม่สบายใจทุกครั้งที่เราไม่สบายใจนี้มาแก้ที่ใจของเรามาถามว่าตอนนี้เราอยากอะไรอยากกับอะไรบางทีก็อยากกับดินฟ้าอากาศก็มีบางวันอากาศร้อนขึ้นมาก็ทำให้หงุดหงิดใจขึ้นมาได้ไม่สบายใจขึ้นมาได้เพราะเราไม่อยากเจออากาศร้อนเราอยากให้มันเย็น พอมันร้อนมันก็ทําให้เราหงุดหงิดใจแต่เราก็รู้อย่างหนึ่งว่าเราไปเปลี่ยนอากาศไม่ได้นอกจากเรามีเครื่องปรับอากาศนะกลับเข้าไปในห้องได้แต่ถ้าเกิดเครื่องปรับอากาศเสียหรือไฟดับก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องทําใจก็ต้องทําใจอยู่กับอากาศร้อนไปเพราะเราทําใจได้ไม่มีความอยากให้มันไม่ร้อนเราก็อยู่กับมันได้เราก็ไม่ทุกข์กับมันได้ ดังนั้นเราควรจะมาหัดทําใจปรับใจของเราวิธีที่จะปรับใจของเราให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก็คือการทําใจให้สงบนี่แหละถ้าเราทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วเราจะทําใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะดีจะชั่วจะจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรใครจะพูดดีใครจะพูดไม่ดี ถ้าเราทำใจให้สงบทาใจให้เฉยได้จะไม่รู้สึกวุ่นวายใจที่เราวุ่นวายใจเพราะเราทำใจให้เฉยไม่เป็นใจมันชอบอยากไม่อยากได้ก็อยากอยากให้มันหายไปไม่อยากมีก็อยากให้มันไม่มามันมีแต่ความอยากอยากได้หรืออยากไม่ได้มันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ ได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้ก็ทุกข์ไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ก็ทุกข์แต่ถ้าเราเฉยๆจะไม่ทุกข์มันจะมาหรือไม่มาเราจะไม่ทุกข์นี่เราต้องมาหัดทำสมาธิกันให้ได้หัดทำใจให้เฉยให้ได้ว่าเวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบนี้ใจจะเฉยเรียกว่าเป็นอุบเบกขา อุเบกขานี่แหละเป็นตัวที่วิเศษที่สุดคุณสมบัติที่วิเศษที่สุดของใจที่พวกเราไม่มีกันพวกเราไม่ค่อยมีอุบเบกขากันพวกเราไม่ค่อยทําใจกันพวกเรามักจะทําตามความโลภทําตามความอยากกันโลภอยากจะได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้อยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้แล้วก็ต้องทุก์เวลาเอาไม่ได้เวลา ก่ อ, อความผิดหวังขึ้นมาก็ทุกข์กันไม่สบายใจกันอยากไปอยากได้อะไรดีกว่าทำใจให้เฉยๆแล้วมีหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอถ้าอยากได้แล้วต้องมีถึงจะมีความสุขถ้าไม่มีก็จะไม่มีความสุขแล้วถ้าเกิดมันไม่หาไม่ได้ก็จะทุกข์ ถ้าหาไม่ได้บ่อยๆไม่มีตามความอยากบ่อยๆก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาเกิดมีความรู้สึกชีวิตนี้ไม่มีชีวิตทิวาเลยไม่น่าอยู่เลยอยู่แล้วไม่มีความสุขไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็จะคิดฆ่าตัวตายกันคนที่ฆ่าตัวตายกันนี่ส่วนใหญ่เพราะเนี่ยหยุดความอยากไม่เป็นไม่รู้ว่าปัญหาของตนนี่เกิดจากความอยากของตน ไม่สามารถทำใจให้เฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้พอเจอเหตุการณ์ที่ไม่ชอบอยากจะให้มันหายไปมันก็ไม่หายอยากจะได้สิ่งที่ต้องการอยากได้ไม่ได้มาก็เสียใจมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยไม่รู้จะหาความสุขที่ไหนกันก็อยากคิดว่าฆ่าตัวตายดีกว่า อย่างน้อยจะได้พ้นพ้นจากความทุกข์ทรมานใจแต่มันก็พ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไปเกิดใหมเ่เพราะความอยากที่มีอยู่ในใจมันไม่ได้หายไปกับการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ฆ่าที่ร่างกายวิธีที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริงต้องฆ่าความอยากอย่าไปฆ่าร่างกาย ตัวร่างกายไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความไม่สบายใจความไม่สบายใจความไม่มีความสุขนี้เกิดจากความอยากไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ก็เลยไม่มีความสุขแต่ถ้าเราฆ่าความอยากได้ไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความรู้สึกไม่สบายใจจะหายไปความเย็นใจสงบใจความสุขใจจะโผล่ขึ้นมา คือเวลาเราทาใจให้สงบนี้ความอยากต่างๆมันจะหายไปชั่วคราวเราจะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจมีความสุขขึ้นมาเราจะไม่คิดฆ่าตัวตายนี่คือปัญหาของเราขอให้เราจําไว้ให้ดีว่าไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่มีใครมาทำให้เราไม่สบายใจได้ไม่มีสิ่งไหนมาทำให้เราไม่สบายใจได้สิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจคือความอยากของเราเท่านั้นเองเวลาไม่สบายใจก็มาค้นหาดูว่าตอนนี้เรากำลังอยากอะไรอยู่ ถ้าไม่รู้แต่เรารู้จักวิธีนั่งสมาธิก็ไปนั่งสมาธิเลยพอไม่สบายใจอย่าไปแก้ที่คนนั่นคนนี้ไม่สบายใจเพราะเขาคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับเราดูถูกเราดูแคลนเราไม่สบายใจไปนั่งสมาธิดีกว่าอย่าไปแก้ที่เขาอย่าไปปรับความเข้าใจอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ปล่อยก็พูดไปปล่อยก็ทําไป ก็อยากจะดูถูกเราก็ปล่อยก็ดูถูกไปก็อยากจะด่าเราก็ปล่อยเ้าด่าไปเราไปเข้าห้องซ่วมไปนั่งสมาธิดีกว่าไปหามุมสงบที่ไหนแล้วก็นั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปทำใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่เดือดร้อนกับการกระทาอะไรต่างๆของเขาแต่ถ้าไปพูดกับเขาเดี๋ยวดีไม่ดีก็ทะเลาะกันอีก เรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเองด่ากันไปด่ากันมาเดี๋ยวก็ตีกันไปตีกันมาเดี๋ยวก็ฆ่ากันได้เพราะมันความโกรธมันจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่จะแก้ปัญหาต้องไปทำใจให้สงบระงับความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราเพราะความอยากตัวนี้เท่านั้นแหละที่ทำให้เราไม่สบายใจไม่ใช่ คนนั้นคนนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ที่เรารู้สึกไม่สบายใจจากการพูดของเขาก็เพราะว่าเราอยากให้เขาพูดอีกอย่างหนึ่งนั่นเองเราอยากให้เขาพูดดีบอกเขาพูดไม่ดีเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราเคยมีความอยากให้เขาพูดไม่ดีบ้างไมไม่มีใช่ไ้ยทุกคนนี่อยากให้เขาพูดดีอยากให้เขารักเราอยังนั้นถ้าไม่ไปอยากอย่างนั้นน่ะไปอยากให้มันทุกข์ทไม หาจไปอยากในวิธีที่ทำให้เราไม่ทุกข์ไม่ดีกว่าเลยอยากให้เขาด่าเราดูสิพอเขาด่าเราแล้วโอ้ยสมใจดีใจวันนี้มีคนดา่าแฮปปี้เลยเห็นไไปอยากให้เขาไม่ด่าเราพอเขาด่าเราเราก็เสียใจนี่เราโง่เองเข้าใจไหมเราไม่รู้จักอยากอยากในสิ่งที่ทำให้เราสุขสิอย่าไปอยากในสิ่งที่ทำให้เราทุกข์กันเมื่อรู้ว่าเขาชอบดา่าเราก็อยากให้เ้าด่าเราสิ พอเขาด่าเราเราก็จะได้ดีใจโอ้ได้ได้ดังใจอยาก mm. เหมือนกับอยากให้เขาชมางนี้พอเขาชมเราเราดีใจไหมดีใจใช่ไหม mm. ก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้ว่าเขาไม่ชมเราแล้วไปอยากทำไมเมื่อรู้ว่าเขาอยากเขาด่าเราเขาชอบด่าเราแล้วก็เปลี่ยนความอยากของเราซิเปลี่ยนความอยากจากการอยากให้เขาชมมาเป็นอยากให้เา้าด่าพอเจอหน้าเขานึกในใจเฮ้ยเมื่อไหร่จะด่ากู พอดาปุ๊บเออเราดีใจว่าทางรถถูกออตเตอรี่วันนี้มีความสุขนะนี่คือวิธีแก้ความไม่สบายใจต่างๆ่าต้องสวนทางมันต้องย้อนสอนต้องย้อนสอนความอยากมันอยากแบบนี้แล้วทุกข์ก็ต้องบอยากอีกแบบสิถ้าอยากแบบนี้ทุกข์ก็อยากให้มันอีกแบบหนึ่งอยากไม่แก่มันทุกข์ก็อยากให้อยากแก่ดูสิ เนี่ย <muitas. S 2> สมัยนี้เขามีวิธีให้เราดูหน้าเราแก่ด้วยเอ็นไหมเราเราาทหน้าแก่ดูเป็นยังไงโอ้ต่อไปหน้าเราจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอยากแก่ดูพออยากแก่ดูให้มันทาหน้าแก่เราดูนี่โอ้โหเราก็ดีใจอ๋อต่อไปหน้าตาเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นหน้าๆใช่ไหมเป็นหรือเปล่าหน้าตาเราจะเป็นอย่างนี้ไปทุกวันหรือเปล่า มันจะสวยไม่สร้างบานไม่รู้โรยหรือปเปล่าเดี๋ยวมันก็ต้องสร้างเดี๋ยวมันก็ต้องโรยอร่างกายเราก็เป็นเหมือนดอกไม้เนี่ยดอกไม้เวลามันบานมันก็สวยเอต่ต่อไปเดี๋ยวมันก็โรยเแหมดอกไม้ที่เราปักไว้ในแจกันบูชาพระเนี่ยเดี๋ยวสองสามวันก็ต้องเอาไปทิ้งถังขยนะละเพราะมันโรยไปร่วงโรยไปตามการตามเวลาเอร่างกายเราก็เป็นเหมือนดอกไม้ เวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่โหยหน้าดูน่ารักเนยแต่พอเดี๋ยวเข้าวัยชราแล้วนี่ผิวก็ย่นผิวก็เหี่ยวยผมก็งอกแล้วทีนี้ดูยังไงก็ไม่มีวันสวยแล้ะ เราต้องดูความจริงแล้วอยากได้สิ่งที่เป็นจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์อยากเนี่ยเราเดี๋ยวเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวต้องเป็นโลกนั้นเป็นโลกนี้้องอยากดูสิอยากได้โลกนั้นอยากได้โลกนี้อยากได้โรคหัวใจอยากได้โรคตับพอได้แล้วจะดีใจโอ้เราได้ดังใจอยาก เราไปอยากไม่เป็นนู่นเป็นนี่ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นโรคหัวใจไม่อยากเป็นความดันสูงไม่อยากมีเบาหวานพอมีขึ้นมาก็เสียใจไม่สบายใจขึ้นมามเราต้องรู้จักย้อนสอนความอยากทวนกระแสของความอยากมันอยากแบบนี้แล้วทำให้เราทุกข์เราลองกลับพลิกกลับดูสิแล้วถ้าอยากแบบนี้มันจะทุกข์ไหมอยากไม่แก่มันทุกข์ก็ลองอยากแก่ดูสิจะทุกข์ไหม รับรองไม่ทุกเลยมันจะสมมันจะสมหวังอยากไม่เจ็บก็ลองอยากเจ็บดูสิเป็นสาดิตอยู่สมองพวกสาดิตทำไมเขามีความสุขจากการเจ็บละ่ะเพราะเขางั่นแหละเพราะเขาอยากเจ็บเพราะเขาเจ็บเขาก็มีความสุขขึ้นมาอ่านี่คือวิธีแก้ปัญหาถ้าเราย้อนสอนมันไม่ได้อย่างน้อยเราก็หยุดมันก็แล้วกันหยุดความอยาก ถ้าอยากอยากไม่แก่แล้วมันทำให้เราทุกข์เราก็หยุดความอยากไม่แก่ทำสมาธิทำใจให้เฉยๆแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปไม่ต้องไปอยากแก่ก็ได้ถ้าอยากแก่ได้ยิ่งดีถ้าอยากแก่ได้ดกกไดมันก็จะไม่ทุกข์ใจเวลามันแก่ถ้าอยากเจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยากตายได้เวลาตายมันจะไม่ทุกข์ คนที่ข้าอยากตายคนที่ข้าตัวตายนี่ก็ไม่ทุกข์ไหมก็ได้ดังใจอยากได้ข้าตัวตายนี่คือปัญหาถ้าเรามานั่งวิเคราะห์ดูแล้วมันอยู่ที่ความอยากของเราเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ใครเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของเราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ใจเราไปอยาก กับเขาเท่านั้นเองอยากให้เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างนั้นพราไม่เป็นอย่างนั้นก็ทุกข์อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นอย่างนี้ก็ทุกข์ก็ลองเปลี่ยนความอยากดูเขาเป็นอย่างนี้ก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ดูสิเขาอยากกินเหล้าก็อยากให้เขากินทุกวันอยากให้เขากินพอเห็นเขากินเราก็มีความสุขคุณนะอ๋อเขาได้กินเหล้าเขามีความสุขไปอยากให้เขาไม่กินเหล้าเขาไม่เวลาเขาไม่กินเหล้าแล้วเขาทุกข์อ่ะ เวลาเขากินเหล้าแล้วก็มีความสุขล้วก็ควรจะอยากให้เขากินเหล้าไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาไม่ทุกข์กับการกินเหล้าของเขาเวลาเขาเห็นเขากินเหล้าเออเขามีความสุขล้วก็มีความสุขอยากให้เขากินเหล้าตอนนี้ทำไมไม่กินเดี๋ยวหาเหล้ามาวางไว้เลย <c oughs> อย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่มีความทุกข์อย่างแน่นอนนะ ท่านทําอย่างนี้ไม่ได้ก็อย่างน้อยก็หยุดความอยากเสียหยุดความอยากไม่แก่แล้วก็จะไม่ทุกเวลาแก่หยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่จะไม่ทุกหยุดความอยากไม่ตายได้เวลาตายจะไม่ทุกจะหยุดได้ก็เนี่ยต้องมาฝึกสมาธิกันเมื่อหัดนั่งฟังเทศไปก่อนถ้านั่งสมาธิเองยังไม่ได้ก็เหมือนกับอาศัยเออ อาศัยเครื่องมื อ, อการสังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนเครื่องมือเหมือนเวลาเราว่ายน้ําเวลาหัดว่ายน้ําใหม่ใหมถ้าเรายังไม่เป็นเราก็ใส่ชูชีพไว้ก่อนะหัดใส่ชูชีพแล้วก็ลองว่ายไปกับชูชีพต่อไปพอเราว่ายได้เราก็ถอดชูชีพออกได้ไม่ต้องใช้ชูชีพก็ได้ไม่ต้องใช้ห่วงยางก็ได้คนที่ว่ายน้ําไม่เป็นมักจะใช้ห่วงยางเกาะแล้วก็ว่ายไป ต่อไปพอวหว้เป็นก็ไม่ต้องใช้ห่วงอยางตอนต้นถ้าเรานั่งสมาธิไม่เป็นลองมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันดูเดี๋ยวนี้เรามีมีการมีมีแอปมีโปรแก ร, รมที่เราดาวโหลดได้แล้ว เ, เปิดดูธรรมะได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเลยมันจะหมุนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดยี่บสี่ชั่วโมงอยู่ในสามารถดาวโหลดขึ้นมาได้ อยู่ที่ไหนก็เปิดฟังได้อยากจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่ถ้านั่งฟังถ้านั่งพุทโธไม่ได้นั่งดูลมไม่ได้ก็เปิดไอันี่ขึ้นมาถ้ามีหูฟังก็เสียบเข้าไปในหูฟังเลยจะได้ได้ยินเสียงฟังชัดนั่งหลับตาไปฟังเทศไปได้เรื่อยให้ธรรมะกล่อมใจให้สงบให้หยุดคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วต่อไปเราก็จะ ทำใจให้สงบเป็นทำใจให้สมาเป็นสมาธิเป็นแต่เวลาฟังต้องคอยอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองต้องให้มันอยู่กับเสียงธรรมที่เรากาลังฟังอยู่ถ้าเรานึกคิดตามได้เราก็จะได้ความรู้ถ้าเรานึกคิดตามไม่ได้เราก็จะได้ความสงบคือเราจะลืมเรื่องราวต่างๆลืมเรื่องราวที่ทำให้เราทุกข์ ที่เราทุกขกับเรื่องราวต่างๆเพราะเราอยากให้เรื่องราวต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่ได้มีความอยากไม่ได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆความอยากก็หายไปความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะหายไปนี่คือเรื่องของการมาฝึกสมาธิมาฝึกปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรม ขั้นต้นถ้าฟังธรรมไม่เข้าใจก็ฟังเสียงไปก่อนฟังไปเรื่อยๆให้เสียงธรรมกล่อมใจให้สงบให้เย็นสบายแล้วขั้นที่สองก็ไปหัดศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาฟังธรรมดูฟังแล้วก็อาจจะเริ่มเข้าใจว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ หรืบางทีถ้าตั้งใจฟังแล้วนึกคิดตามก็จะเข้าใจเพราะธรรมะนี่เป็นของตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นของลึกลับซับซ้อนอะไรความอยากเราก็รู้กันว่าพวกเราทุกคนมีความอยากกันทั้งนั้นพระพุทธจาก็บอก ว, ว่าความอยากของพวกเรานี้มันไปอยากกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเลยทำให้เราทุกข์กันอยากให้ร่างกายไม่แก่นี่มันเป็นไปไม่ได้ อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่ตายนี้เป็นไปไม่ได้มันก็เลยทำให้เราทุกข์กันหรืออยากให someone, is, ้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นับเป็นไปไม่ได้มันก็ทำให้เราทุกข์กัน ö. เราก็อยากไปอยากมันเท่านั้นเองแล้วเราจะไม่ทุกข์เขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ i mean. ก, ก, เกเเเเเ็เราก็จะไม่ทุกข์เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราก็จะไม่ทุกข์ นามาหัดทำใจให้เฉยๆอย่าให้มีความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินแต่อย่าไปอยากอย่าไปอยากให ให้เห็นสิ่งที่เราเห็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าให้เสียงที่เราได้ยิ น, นต้องเป็นเสียงนั้นต้องเป็นเสียงอย่างนั้นเสียงอย่างนี้ต้องเป็นเสียงชมอย่างเดียวนีเป็นเสียงดุด่าว่ากล่าวตำเนติเตียนไม่ได้ถ้าเรามีความอยากแบบนี้ uk, Build, tiver, เราจะทุกเวลาที no ไ่ได้ยินเสียงตำเนติเตียนเราจะสุขเวลาที่เราได้ยินเสียงที่เราอยากวิเสียงชมนี้เราจะสุข แต่เราอยู่ในโลกของความเป็นจริงนี้มันไม่มีเสียงเดียวมันไม่มีเสียงชมอย่างเดียวมันมีทั้งเสียงชมมีทั้งเสียงตาหนิคาหานินทาเสียงดูถูกดูแคลนอะไรต่างๆเสียงดูด่าว่ากล่าวดังนั้นเราต้องสอนใจว่าเราต้องทาใจเฉยๆกับเสียงเสียงมันจะด่าก็ปล่อยมันด่าไปเสียงมันจะชมก็ปล่อยมันชมไป อย่าไปอยากให้มันชมอย่าไปอยากให้มันไม่ดา่าถ้าไปอยากแล้วมันจะทุกข์ใจขึ้นม า, านี่คือปัญญาสอนใจปัญญาคือรู้ว่าความทุกข์ใจของเราไม่ได้เกิดจากเสียงไม่ได้เกิดจากรูปเห็นไหมเสียงดังตอนนี้ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันดังแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปนี่เราจะทุกข์ขึ้นมาทันที ถ้าเราเฉยๆกับมันะมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเอมันไม่มาอยู่ตลอดหรอกถึงแม้จะอยู่ตลอดก็อยู่กับมันไปเอถ้าไม่มีความอยากให้มันหายไปเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราพออยากให้มันหายไปมันไม่หายไปนี่เราจะทุกข์เราจะลาคาญขึ้นมาทันทีเนีงั้นมาฝึกใจให้ทําใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ด้วยการฝึกสมาธิ ถ้านั่งสมาธิเองยังไม่ได้ก็อาศัยการฟังธรรมไปก่อนฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีกำลังที่จะนั่งสมาธิแบบไม่ฟังธรรมได้นั่งสมาธิแบบดูลมได้นั่งสมาธิแบบพุทธโธได้ แล้วพอเราทำสมาธิได้แล้วทีนี้เราก็มาสอนใจให้รู้ว่าเวลาเราไม่สบายใจนี้มันเกิดจากความอยากของเราวิธีที่จะทำให้ความไม่สบายใจหายไปก็หยุดความอยากด้วยการทำสมาธิไปหาที่ไหนสงบทำใจให้สงบหรือถ้าเราสามารถหยุดสมาหยุดความอยากได้ในในสถานที่ไหนได้ก็ไม่ต้องไปหาที่สงบก็ได้ พอเรารู้ว่านี่คือตัวที่ทำให้เราทุกข์คือความอยากแล้วก็หยุดมันเสียอยากให้เขาไม่ดา่าเราก็เปลี่ยนไปเสียอยากให้เขาด่าแทนพลิกมันกลับมาหรืออยา่างหรือเฉยๆไปปล่อยให้เขาด่าไปเขาอยากจะดา่าก็ปล่อยเขาด่าไปเราอย่าไปอยากให้เขาหยุดอยากไปอยากให้เขาไม่ดา่าแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเขาออนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกกัน ตอนต้นก็ฝึกด้วยการใช้ปัญญาใช้การฟังเทศฟังธรรมฟังครั้งฟังตอนต้นก็ฟังเพื่อให้จิตสงบพอจิตสงบแล้วก็ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาให้เรารู้ว่าปัญญาจะสอนเราให้เรารู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากของเราพอเรารู้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องฟังธรรมก็ไดนะ้เรา เราแสดงทำในใจเราเองเลยก็ได้สอนใจเราไปเรื่อยๆว่าต่อไปนี้อย่าไปอยากกับอะไรนะถ้าไม่อยากจะทุกข์เวลาทุกข์ก็ให้รู้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราไม่ได้เกิดจากคนอื่นหรอกไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นหรอกอย่าไปแก้ที่เขามาแก้ที่เรามาค้นห า, าความอยากแล้วหยุดมันเสียอยากให้เขาไม่ดื่มเหล้าก็พอเขาเห็นเ็ดื่มเหล้าก็ไม่สบายใจถ้าไม่สบายใจก็กลับมา หยุดความอยากไม่ให้เขาดื่มเหล้าปล่อยให้เขาดื่มไปพอหยุดความอยากได้ปล่อยให้เขาดื่มไปได้เราก็ไม่ทุกข์กับเขาถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ไปนั่งสมาธิเสียไปอยู่ที่สงบแล้วก็ไม่ไปคิดถึงการดื่มเหล้าของเขาใจเราสงบแล้วเราก็จะหายทุกข์กับเขานี่คือวิธีการของการแก้ปัญหาใจ ต้องแก้ด้วยสมาธิละแก้ด้วยปัญญาเท่านั้นถึงจะแก้ได้อย่างถูกต้องถึงแก้ถูกถูกถูกจุดแก้แล้วทําให้ปัญหานี้หายไปอย่างถาวรถ้าไปแก้ที่เขาเดี๋ยวก็ต้องคอยแก้อยู่เรื่อยเดี๋ยวแก้คนนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปแก้คนนั้นคนมีเยอะแยะที่เขาจะคอยด่าเราอยู่เรื่อยๆพอแก้คนนี้บอกให้เขาอย่าด่าเราได้เดี๋ยวไปเจออีกคนมันก็ด่าเราอีกแล้ว เราก็จะเหนื่อยแก้ไม่มีวันจบถ้าจะแก้ให้จบแก้ที่ใจเราแก้ที่ความอยากของเราไม่ให้เขาด่าเราพอเรายินดีให้เขาด่าเรานี้จะเจอกี่คนกี่ร้อยกี่แสนคนด่าเรากี่ครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งเราก็จะไม่ทุกขนะ์มาแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากด้วยสมาธิและปัญญานี่คือเรื่องของการฟังธรรมฟังเพื่ออะไรนะ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 เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปายันโทปนะราโสยธามณีโชติหราโสยธาสัพพิตโยมิวชันโต สัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตโตอันตารายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานศีลิสานิจังุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวะธานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไรวันนี้ทาง a ฟ e b o ๊ k เข้ามาสามร้อยสามสิบห้ายสองร้อยเจ็ดสิบวิทยุออนไลน์ยี่สิบเจ็ดรับฟังข้างบนนี้สี่สิบคนรวมทั้งหมดหกร้อยเจ็ดสิบสองครับอตอนนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามกันใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้เอาคําถามจากทางบ้านก่อนถ้ามีมีไหมมีครับาถามได้คําถามจากผู้ฝากถามผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ยังรับรู้และรักษาแบบประคับประคองกรณีที่ผู้ป่วยเหนื่อยหรือทุรนทุรายทางหมอจะให้ยากลุ่มโมฟีนเพื่อลด เหนื่อยแต่ยามีผลเรื่องการกดการหายใจด้วยถ้าญาติยินยอมอย่างนี้ถือว่าบาปหรือผิดไหมครับถ้าเป็นการรักษาก็ไม่น่าจะบาปแต่อย่างใดอาจจะผิดเพราะถ้าจะรักษาแบบที่ถูกจริงๆต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่าไม่ต้องไปใช้ยาอะไรถ้ามันไม่ได้เป็นยารักษา ยาเพื่อไปอไปไปกดความเจ็บปวดอะไรต่างๆเหล่ า, า, านี้มันมีผลอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ปล่อยมันเจ็บไปวิธีดีที่สุดก็ใช้วิธีธรรมโอรสใช้ธรรมะคือสมาธิที่ทุรนทุรายเพราะความอยากอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันหายเจ็บ พอเจอความเหยียบยาวความความเจ็บขึ้นมามันเลยทุกข์มันเลยทรมานใจมันเลยดิ้นกันถ้ารู้จักทำสมาธิแล้วมันจะเฉยมันจะไม่รู้สึกทรมานใจมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็เหมือนเสียงอ่ะเสียงมันจะดังขนาดนันมันก็เป็นแค่เสียงนะนี่ความเจ็บปวดนี่ก็เป็นเหมือนเสียงเพียงแต่ว่าใจเราไม่ยอมรับมันเท่านั้นเองพอไม่ยอมรับมันก็เกิดการต่อต้านต่อสู้ เกิดความอยากให้มันหายยิ่งยิ่งต่อสู้ยิ่งอยากมันยิ่งทรมานใหญ่ยิ่งดิ้นยิ่งหนีมันเพราะมันหนีไม่ได้เนี่ยังวิธีที่ดีที่สุดก็คือเฉยๆไปกับมันดูมันไปรับรู้มันไปมันจะเจ็บจะปวดอย่างไรก็รู้ว่ามันเจ็บมันปวดอย่างนั้นไปถ้าเก่งจริงก็ท้าทายมันปวดกันนี้ไม่ได้เลยวอลองย้อนสอนมันดูเอ กลัวมันเจ็บน anyway. ี่อย่าไปกลัวมันท่ามันเลยเจ็บกว่านี้อีกสองเท่าไม่ได้เลยอีกสามเท่าไม่ได้เลยเอมันจะใจมันไม่มันใจมันไม่เจ็บมันใจมันเป็นเพ่เียงผู้รู้เท่านั้นเองที่มันเจ็บเพราะมันไปอยากไม่อยากให้มันหายเจ็บเท่านั้นเองถ้าไม่ได้ไปอยากให้มันหายเจ็บอยากให้มันเจ็บเพิ่มขึ้นใจจะมีความสุขเส่เออดีเว้อยากให้มันเจ็บกว่านี้มันเจ็บขึ้นมานี่ได้ดังใจอยากอ คำถามต่อไปจากคุณกิ่งแก้วนั่งสมาธิแล้วง่วงนอนสับประงกทําความรู้สึกตัวขึ้นมาสู้กันพักใหญ่ต่อมาจิตแจม่มใสความง่วงหายไปอันนี้ใช่จิตตั้งมั่นใหม่เจ้าคะ่ะ จ, จ ะ, าะจิตสงบพอจิตสงบความง่วงก็หายไปได้แต่ต้องสู้กับมันตอนที่มันง่วงนี้ต้องสู้ด้วยสยติพุโทโธพุโทโธไป พอใจมันมีสติกับคืนมาปั๊บมันก็ตื่นแล้วก็สงบแล้วก็เย็นสบายเนี่ยคถามต่อไปจากคุณวั ร, ร์สันอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาตินั้นคือการเกิดส่วนภพในที่นี้หมายถึงอะไรครับกภพที่เราไปเกิดเนี่ยภพมนุษย์ภพถงเทวดาภพอะไรเนี่ยแล้กวก็ภพะ พอเรามีเป้ปาจะไปเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพอมีเป้าไปเกิดเป็นเทวดามันก็จะไปเป็นเทวดาคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม <c oughs> การที่จำเป็นต้องอยู่กับคนที่เกลียดชังกันแบบต่างคนต่างอยู่ แบบนี้ถือว่าจะหลีกเลี่ยงการก่อเวรกรรมซึ่งกันและกันได้ไหมครับแล้วการแผ่เมตตาให้กันจะหลุดพ้นได้จริงหรือไม่ครับถ้าไม่มีปฏิกิริยาต่อกันต่างคนต่างอยู่ก็ไม่มีเวรไม่มีกรรมกันถ้าอยากจะแผ่เมตตาก็ซื้อขนมไปฝากเขาอยู่เลี้ยมีของอะไรก็แบ่งให้เขากินแบ่งให้เขาใช้เดี๋ยวชนะใจเขาได้ ถ้ามีของดีๆเขาชอบให้ของที่เขาชอบด้วยนะอย่าไปให้ของที่เขาไม่ชอบให้ของที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ดีใจนะต้องดูสังเกตดูว่าเขาชอบอะไรชอบทุเรียนนี้หาทุเรียนมาให้มันกินเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันอดที่จะชอบเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเราให้ความสุขกับเขาไง น, นี่แหละคือความเมตตาอย่าไปสวดแผ่เมตตาสวดไปจนมันตายก็ไม่มีวันที่จะชนะใจเขาได้การสวดไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา การให้ความสุขกับผู้อื่นเนี่ยเป็นการแผ่เมตตาถ้าเขาสุขด้วยการกินทุเรียนก็ซื้อทุเรียนไให้เขากินถ้าเขาสุขด้วยการไปเที่ยวพาเขาไปเที่ยวเดี๋ยวเขาก็รักเราชอบเราสังเกตเด็กดูสิเด็กคนไหนถ้าเราเอาใจมันมันอยากได้อะไรทามันโอ๊ยมันรักเราจะตายไปเด็กคนไหนถ้าเราไม่ไปเอาใจมันขัดใจมันนี้มันเกลียดเรานะ คำถามต่อไปจากคุณปริชาติคำสอนที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราหมายถึงท่านอยู่ในใจเราอยู่แล้วหรือเราต้องน้อมระลึกให้ท่านเข้ามาในใจครับคือพระพุทธเจ้านี้คือใจที่ตัดสละธรรมใจที่บริสุทธิ์ใจที่ป ร, ราศจากกิเลสตัณหาซึ่งถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปใจเราก็จะก็เป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้า ท่านถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าจริงๆอยู่ในใจเราแต่เรายังไปไม่ถึงเรายังไม่ได้ทำใจของเราให้เป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าถ้าเราทำใจของเราให้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าต่อไปก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราคำถามต่อไปจากคุณแพทยเลี้ยงหลานอายุสิบเอ็ดเดือนกำลังสนคำถามคือเลี้ยงเขาอย่างไรให้เป็นคนดีชอบในศีลธรรม เติบโตอย่างมีคุณภาพก็ต้องสอนเขาผิดถูกดีชั่วสอนไปตามการรับรู้ของเขาเขารับรู้ได้มากน้อยเท่าไหร่ก็สอนไปตามการรับรู้ของเขาตอนต้นก็อาจจะสอนเขาไม่ให้หยิบของคนอื่นมาถ้าเขาต้องการได้อะไรก็ต้องขออนุญาตก่อน พอเขาโตขึ้นหน่อยพอเขาพูดปดก็ต้องสอนเขาว่าอย่าพูดปดสอนเขาไปทีละขั้นทีละตอนตามความสามารถของเขาที่จะเรียนรู้ได้นั่นก็คือสอนให้เขาอย่าทำบาปอย่าทำในสิ่งที่เป็นโทษสอนให้เขาทำดีพาเขาไปใส่บาตนี้พาเขาไปวดัดไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรทำนองนี้ เป็นการสอนต้องสอนด้วยการปฏิบัติควบคู่กันไปอย่าสอนแต่ปากแต่ไม่ทำเดี๋ยวจะกลายเป็นแม่ปู่สอนลูกปู่ <c oughs> เคยได้ยินนิทานแม่ปู่สอนลูกปู่ไหมแม่ปู่เห็นลูกเดินเฉไปเฉมาบอกลูกอย่าเดินอย่างนี้ต้องเดินตรงๆแต่ตัวแม่เองก็เดินเฉไปเฉมางั้นการสอนด้วยด้วยวาจาไม่มีไม่ไม่ไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนสอนด้วยการกระทำํำนะต้องพูดด้วยวาจาเพื่อให้เขารู้แล้วก็ต้องทําเป็นตัวอย่าง เช่นไม่อยากให้ลูกพูดคำหยาบ ก, ก็อย่าไปพูดคำหยาบต่อลูกสิไม่อยากจะให้ลูกดื่มสุลาก็อย่าไปดื่มสุลาต่อหน้าลูกอย่าให้เขาเห็นเราดื่มสุลาอย่าให้เห็นให้เขาได้ยินว่าเราพูดคำหยาบถ้าเราสอนเขาแล้วเราต้องทําตามที่เราสอนด้วยพระพุทธเจ้าทุกคําสอนของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าบอกทำมาหมดแล้ว สอนให้ทําความดีก็ทํามาหมดแล้วสอนให้รับบาปก็รับมาหมดแล้วสอนให้ชาําระใจให้สะอาดก็ชําระมาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ทํามาหมดแล้วทั้งนั้นพอเราเห็นตัวอย่างแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเราก็ทําตามท่านได้แต่ถ้าท่านบอกว่าอย่าทําบาปแล้วตัวท่านเห็นก็นั่งกินเหล้าสอนธรรมะแสดงธรรมมีขวดเบียร์อยู่นี่ <laughs> ฟังไ้แล้วคนฟัง ก, ก็ูไม่ฟังดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณตือสินข้อที่สามในสินแปดผู้ชายผู้หญิงโดนตัวกันถือว่าผิดสินหรือไม่ครับยังไม่ผิดนะเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไฟลุกได้เหมือนน้ำมันกับไฟนี่เขามักจะเอาไว้ไกลๆถ้าเกิดมันอยู่ใกล้เดี๋ยวมันปะทุ ข, ขึ้นมาเป็นลุกเป็นไฟใหญ่ได้ การไปแตะเนื้อต้องตัวกันเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะห้ามไม่ห้ามไม่ได้ก็จะไปทําผิดศีลก็เลยต้องมีมาตรการป้องกันก่อนไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวกันบางทีบางแห่งก็ไม่ให้อยู่อยู่คนละที่เลยผู้หญิงอยู่ฟากหนึ่งผู้ชายอยู่ฟากหนึ่งคําถามต่อไปจากคุณชัยนรงค์ เมื่อนั่งสมาธิแล้วมีอาการตึงที่หน้าผากจะแก้ไขอย่างไรครับไม่ต้องแก้อะไรแล้วก็ปล่อยมันตึงไปเป็นอาการของจิตที่มันกิเลสมันจะมาคอยแกล้งสร้างปัญหาให้กับเราเพราะว่ามันต้องทำในสิ่งที่กิเลสไม่ชอบนั่นเองแต่เวลานั่งดูทีวีนั่งดูหนังดูละครมันไม่ตึงหกใช่ไหม เ, เพราะมันชอบออพอมานั่งสมาธิมันจะรู้สึกตึงขึ้นมา แน่นตรงนั้นแน่นตรงนี้ขึ้นมามันเป็นอาการของมารเขาเรียกมารมาพจนกิเลสมารไม่ต้องไปแก้อะไรมันแบบไปสนใจกับมันพุโทโธพุโทโธของเราไปดูลมไปสวดมนต์ไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับเขาว่าเราบ้าแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนปกติคนปกติพูดติดเตียนบุคคลแบบนี้ เป็นเวรกรรมประเภทไหนครับอคนปากบอลไงเราเรียกคนปากบอนลก็เป็นคนที่ไม่มีสัมมาวาจาก็จะเป็นคนที่อก็ไม่ดีเป็นคนที่ไม่มีใครเขาจะรักจะชอบเห็นก็เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากให้เขาพูดดีทั้งเองเห็นเรามาแก้ที่ตัวเราเราอย่าไปแก้ที่เขา เขาจะพูดดีไม่ดีก็เรื่องของเขาเขาจะรับผลของการกระทำเขาอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาให้เรามาดูที่ใจเราว่าเร า, าทุกข์กับเขาหรือเปล่าทุกข์กับการพูดของเขาหรือเปล่าถ้าทุกข์เราก็ต้องมาแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากทำใจให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธิแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับการพูดของเขาคำถามต่อไปจากคุณหลิง นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธได้สักพักเห็นกายเวทนาจิตแยกออกจากกันอันนี้ถูกต้องไหมครับยังไม่ถูกหรอความจริงต้องการให้มันสงบมากกว่าต้องการให้จิตสงบไม่ต้องไปเห็นอะไรคําถามต่อไปจากคุณเชอรี่เมื่อนั่งสมาธิกําหนดอาณาปานสติ ทำบริกรรมหายไปแต่สติสัมปชัญญะยังคงอยู่ตามรู้ลมหายใจแล้วเกิดอาการวูบสงบเข้าสู่ภวังแล้วเกิดแสงสว่างแบบนี้ถือว่าเข้าสู่สมาธิขั้นใดครับหากต้องการให้เข้าสู่สมาธิในขั้นต่อๆไปควรกําหนดจิตอย่างไรต่อครับก็รักษาสติให้ ให้ให้อยู่ต่อไปให้มีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดอะไรต่างๆให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปใจจะสว่างก็ปล่อยมันสว่างไปใจความสว่างหายไปก็ปล่อยมันหายไปไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้เฉยๆให้รู้แล้วอยากคิดเนี่ยแล้วใจก็จะสงบต่อไปได้หมดแล้วเลย สติสำคัญเวลานั่งสมาธินี่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดใจก็จะสงบอพอมีอะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าไปคิดถึงมันให้รู้เฉยๆอย่าไปคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นอะไรนี่เป็นอรหันต์หรือยังนี่เป็นนิพพานหรือยังอพยายามอย่าไปคิดไม่ต้องคิดะให้รู้เฉยๆให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันมีความสุขแล้วพยายามรักษาให้มันสงบอย่างนั้นน่ะไปเรื่อยๆนานๆ จนกว่ามันจะคิดก็ลองใช้คำบริกรรมหยุดมันก็ได้หรือใช้การดูลมหยุดมันก็ได้ถ้านั่งต่อได้ก็นั่งต่อไปนั่งให้นานนานนั่งให้เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้แล้วใจก็จะนิ่งได้นานต่อไป เราจะมีความสุขดีกว่าออกมาแล้วก็วุ่นวายใช่ไหเวลาออกมาปั๊บเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาซู้อยู่ในสมาธิดีกว่าอยู่ให้นานอยู่ให้มากแล้วต่อไปเวลาออกมามันจะนิ่งได้นานมันจะสงบได้นานมันเห็นอะไรมันก็จะเฉยได้นานกว่าอันนี้คือการฝึกสมาธิเพื่อฝึกให้ใจเฉย พ อ, อ, อจากสมาธิมาใจก็จะเฉยถ้าอยู่ในสมาธิได้นานเวลาออกมาก็จะเฉยได้นานเหมือนกับแช่น้ําเย็นเนี่ยถ้าแช่ให้มันเย็นมากเช่นเป็นน้ําแข็งเนี่ยพอออกมาข้างนอกมันจะเย็นได้นานกว่าถ้าแช่มันแบบเย็นแต่มันไม่เป็นแข็งเนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็หายเย็นเร็วกว่าฉั้นพยายามทําใจให้สงบนานๆให้นิ่งนานๆให้เย็นนานๆให้มีความสุขมากๆ จวกวาจะทนไม่ไหวแล้วมันออกมากใจก็จะเย็นต่อไปได้จะไม่วุ่นวายกับอะไรต่างๆเห็นอะไรก็จะเฉยสักแต่ว่ารู้ได้แล้วพอมันหมดพอมันหายเย็นแล้วก็กลับเข้าไปสมาธิใหม่ต่อไปทำบ่อยๆทำมากๆใจก็จะเย็นทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิทั้งขณะที่ออกจากสมาธิมาพอเราทำได้อย่างนั้นแล้วขั้นต่อไปก็มาฝึกปัญญา ให้รักษาความเย็นเวลาออกจากสมาธิด้วยการทำลายตัวที่มาทำความเย็นให้หายไปก็คือความอยากต่างๆพออยากจะทำนูน่นทำนี่ไม่มีเหตุมีผลต้องทำก็อยากไปทำมันพออยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่มีเหตุมีผลที่จะต้องอยากได้ก็อยากไปอยากมันแล้วต่อไปความอยากก็จะลดน้อยลงไปความเย็นที่ออกจากสมาธิก็จะอยู่ได้นานขึ้นมากขึ้น ต่อไปไม่มีความอยากเหลืออยู่ความเย็นก็จะอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ น, นี้คือการปฏิบัติขั้นต้นต้องฝึกสมาธิให้มากมากฝึกสติให้มากๆกก่อนจนสามารถรักษาใจให้เย็นได้ตลอดทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิมาพอรักษาได้แล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญารักษาความเย็นไม่ให้มันเสื่อมเวลาออกจากสมาธิมา แล้วต่อไปก็จะไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เมื่อสามารถรักษาใจให้เย็นตลอดเวลาได้ด้วยปัญญาก็ไม่ต้องใช้สมาธิใจก็มีความเย็นความสงบได้ตลอดเวลาเพราะไม่มีความอยากเห็นอะไรก็เฉยได้ยินเสียงด่าก็เฉยได้ยินเสียงชมก็เฉยเพราะไม่มีความอยากให้เขาด่าไม่อยากให้เขาชมไม่อยากให้เขาไม่ด่า พอเขาด่าก็ไม่เดือดร้อนพอเขาชมก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจอะไรใช้เฉยไปนี่คือต่อไปก็จะเป็นเหมือนหยดน้ํำบนใบบัวใจใจกับใจนี่เป็นเหมือนใบบัวหยดน้ํานี้เป็นเหมือนสิ่งที่มาสัมผัสกับใจเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต่อไปก็จะไม่ดูดซึมก็าหากันต่างฝ่ายต่างอยู่เสียงก็เสียงไป ใจก็รับรู้ไปไม่เอาเข้ามาในใจให้วุ่นวายใจถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิมันจะเป็นเหมือนน้ำกับกระดาษหยดน้ำพอหยดลงไปบนกระดาษซับนี่มันดูดกันเข้าไปเลย คนที่ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาพอได้ยินเสียงก็โกรธขึ้นมาเลยดีใจขึ้นมาเวลาใครเขาชมก็ดีใจสุดๆเวลาเขาด่าก็โกรธสุดๆเนี่ย น, นี่คือลักษณะของไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคอยสอนใจหมดแล้วยังหมดแล้วเนะ่ยหมดแล้วเดียวมีใครอยากจะถามอะไรไหม ถ้าไม่มีก็ไม่ดึงไว้ละปล่อยให้กลับบ้านกันดีกว่าเพราะความจริงก็ฟังเยอะแยะแล้ววันนี้ขอให้นํำมาไปปฏิบัติให้ได้เถอะสองอย่างนี่สมาธิกับปัญญาสมาธิก็ทําใจให้นร่งให้สงบปัญญาก็สอนว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอย่าไปอยากเวลาทุกข์ก็ไปนั่งสมาธิหยุดความอยากไป หรือพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปมันก็จะตับให้เราทุกข์ใหม่ยังก็อย่าไปอยากได้อะไรแล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์หลังนะั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป เธอเสีงสาธุน้องไหมหนอนด้วยกันวันนี้เบา <c oughs> ไม่เหมือนสาววอาทิตย์ดังลัน่นนะซ่า